เมื่อนึกกับบทต้องน้หมูปาตาได้ได้เล ย, เลยวันนี้เป็นวันเสารที่เก้าเดือนสิงหาคมศบนี้ที่หลวงพ่อได้ออกจากสำนักโมกไปกอบเป็นเวลาหลายปีวันนี้ก็มาพบกันอย่างที่คุณดา ไปได้บนเวทนานแล้วว่าเมื่ อ, อไรหลวงพ่อจะมีว่ามีโอกาสที่จะไปแสดงธรรมที่วัดโมกให้ญาติโยมและเพื่อนที่สุตมเนรของเราได้ฟังก็เลยรับบอสวันที่เก้าวันสองสุนีนวันที่แปดนั้นว่าจะไปชีดยาถามหมอก็เลยชีดไปได้ ถ้างพ่อจะไปแสดงทำท ว, งวันที่เก้าี่ไม่ได้ก็วันที่สิบเอ็ดหลวงพ่อจะมาคิดได้วันซื้อยาแล้วห้าวันรดยาเงจากคุมหลวงพ่อในเกณนห้าวันนั้นต้องคอยระมัดระวังคือว่าอันตรายจะเกิดขึ้นหลวงพ่อเข้าไปอีกอีนัน้น1ิบวันหลังจากซื้ยาแล้วสิบวันนี่ไม่ต้องไปที่ไหนต้องอยู่กับหมอครับก็เลยถือโอกาส เราให้าติโยมฟังวันที่11ไปถึงวันที่21โย่ข่อยังรับมดไม่ได้เพราะเพราะว่าดูใ น, านการควบคุมดูแลของหมอเพราะว่ายังมีอันตรายอยู่ในระยะ10วันนี้ต่อไปนี้ก็จะได้แระแดงทำให้พวกเราได้เข้าใจก็คิดน้าว่าจะแสดงเรื่องอะไรยังจะเหมาะสมกับพวกเรา เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือสนังฆัดโมพเพื่อนพิสุตมนเนนและญาติโยมยังจะเหมาะนื้อสมอควรกับการเวลาของพวกเราก็คิดมาคิดมาก็เลยมาเจอที่เรื่องในปีในเรียนตายในเทียนมาตามเอาให้ไปจังหวัดเลยวันนี้ให้ไปจูดสุขในเทียเนี่หลวงพ่อก็เลยบอกใม่ตองไป ต้องแสดงทําให้ญาติโยมที่จังหวัดขอนแก่นสาหรับสํานักวัดโมกเราฟังก่อนแต่เมื่อไรจะกลับยังบอกไม่ถูกพรุ่งนี้ก็ต้องไปแสดงธรรมที่วัดสนามในจุงเทศวันอาทิตย์ดังนั้นวันนี้ที่เรามาพบกันก็จะเล่าเรื่องที่ทุกคนมีความปรารถนาและทุกคนก็มีความ ขยะขยะมันมีสองอันนะทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีความต้องการมีความปรารถนาในทางตรงกันข้ามทุกคนเกิดมาต้องมีความขยะขแยงเก็บความไม่ต้องการที่เราต้องการนั่นทําไหมเพราะเรื่องอะไรเราต้องการความไม่มีทุก ทุกคนมาที่นี่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือทิสุตมะณีจะเป็นผู้ที่ถือและที่ใดศาสนาไหนก็ตามต้องการความสุขความเจริญความก้าวหน้าคือต้องการความหลุดพ้นในทางยาวไกลกว้างมากแต่เราทำอย่างไรจึงจะไปถึงที่นั้นได้อันนี้พูดให้ฟังเป็นของพ่อ แล้วในทางตรงกันข้ามทุกคนต้องเปลี่ยนทุกไม่ต้องการหน้าขยะขยแยงทุกเนี่ขึ้นชู้ว่าทุกแล้วคืออะไรคือความเดือดร้อนฝัก ส, ส น, นวุ่นวายความคุ ก, กรีเรียกว่าความทุกข์ทท้งนั้นแม้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นพิกษุสัมเทธิ์แ<ค>ถือลนที่ใดศาสนาไหน โมฆะหรืออะไรก็เหมือนกันเปียดขุมทุกเปียดขุมสับสนรุ่นวายขุมเดือดร้อ น, นเป็นย่างไ น, นแต่ทําไมขุมทุกขุมสับตนรุ่นวายเกิดขึ้นมาให้เราเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องเราไม่เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนานั่นเองเมื่อเราไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีธีไม่มีวิธี ที่จะปก้องกันได้ถ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วว่าเมื่อเราไม่ต้องการต้องหาวิธีกันหรือแก้แต่แก้นี่ไม่ดีเท่ากันกันดีกว่าแก้เมื่อมันมาถึงแล้วเราจะแก้ไขบางทีก็ไม่ทันบางทีก็ทันเมื่อเราแก่นี่เียว่ามันเป็มแล้อย่างไม่แก้ที่เราการเนี่ย่าให้มันทันเกิดขึ้น ต้องกจำไว้ตั้งแต่นานนวิธีที่จำนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วให้มีสติภาษาธรรมแต่ภาษาพื้นบ้านเราให้เรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวกับความมีสติเป็นขันเดียวกันรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจคนใดไม่รู้สึกตัวไม่ตื่นตัวคนใดไม่รู้สึกใจไม่ตื่นใจ แสดงว่าคนนั้นหลืนตัวคนนั้นไม่มีสติคือคนนั้นไม่มีวิสิกันแต่เราก็รู้รู้การไปการมาทํามาหากินซื้อขายเลี้ยงชีวิตได้รู้อะไรก็รู้แต่ว่าไม่ใช่เป็นทางรู้ที่จักกันความทุกข์ในที่นี้เราต้องหมายถึงทุกข์ แต่ทุกกายนั้นเราไม่ต้องพูดก็ได้หรือจะพูดก็ได้พวมทุกกายทุกใจแต่กายนี่มันไม่รู้ใจถึงคุณรู้แดบดบก็ใจรู้ร้อนเนี่ยแดบดบมามันร้อนก็ใจรู้ฝนตกมันหนาวก็ใจรู้กายไม่รู้ดังนั้นจึงจะพูดถึงใจทีเดียว เพราะใจนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญ ม, มันต้องการคัวมไม่ทุกข์กับปอใจบัด น, นี้ความทุกข์เกิดขึ้นนั้นเพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้ใจเราเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจคือไม่รู้ใจไม่เห็นใจไม่เข้าใจกับใจผมตกเกิดขึ้นความทุกข์ในทีน่นี้ทุกไม่มีเงินนั่นได้ไม่มคนเสียขา คนไม่รู้จักหาไม่รู้จักเก็บเมื่อไม่รู้จักหาก็เป็นคนที่เกียจเมื่อหาแล้วยังไม่มีเพอะเดือหาไม่เปิดเมื่อได้มาแล้วเก็บไม่เป็นก็แสดงว่าหาไม่เป็นเก็บก็ไม่เป็นถ้าหาเป็นเก็บก็ต้องเป็นหาอย่างไรหาเงินหาตั้งแต่หนึ่งสถางขึ้นไป ถ้าพูดทางภาษาทางอเจรหนึ่งสตางค์เจ็บตั้งเจ็หนึ่งสตางค์ขึ้นไปถึงสิบเจ็บพิลษิตสตางค์ถึงสิบครั้งก็เป็นบาทเจ็บทิลหนึ่งบาทสิบครั้งก็ได้สิบบาทเจ็บพิรษิตบาทมันสิบครั้งก็ได้ร้อยบาทเจ็บพิละิรอยบาทสิบครั้งก็ได้ละพันเจ็บพิรษิพันสิบครั้งก็ได้มงเจ็บพิละิมื่นสิบครั้งก็ได้แสน ทีและแสนเป็นสิบครั้งก็ได้ลา้านอันนี้เจ็ดต่างเดียไม่เป็นสองสต่างก็อยู่ไม่ได้นั้นนี่เป็นวิธีที่จะนามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็เรื่องที่ทุกคนไม่ปราถนาไม่ต้องการทำไมมันเกิดขึ้นมาได้เพราะเราไม่รู้นั่นเองแต่ทุกคนรู้แต่ไม่รู้วิธีการเมื่อไม่รู้วิธีการมันต้องเข้ามา เตืนหน้าเราแล้วก็จ้องไปแก้แก้ดีบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ดังนั้นวันนี้จึงจะแนะนำกันวิธีที่จะเอาชนะได้แต่ทุกทางตายไม่ต้องพูดใครมากบอกพูดแล้วเจ็บหนึ่งสตางค์ไม่เป็นสองสตางค์ก็มีไม่ได้เก็บบาทเดียวไม่เป็นสองบาทก็เจ็บไม่ได้เจ็บร้อยหนึ่งไม่เป็น สแล้วก็เก็บไม่ได้เก็บไม่เป็นมันจะอยู่ได้ทําไมอันนี้เตือนไว้ให้รู้จักเจ็บและให้รู้จักหาหาต้องเป็นนิ่งสตาลขึ้นไปหนึ่งสตาลเด็กหลวงพ่อพูดภาษาทางนี้ไม่ค่อยดีใน๋ยวยงพอพูดเป็นภาษาเมึองเลยมากเพราะสป็เนียงไม่เป็จริงไะบบบ น, นี้ทุกสิ่งนี้ก็เล่าเพียงยอ่อยแต่ทุกสิ่งที่เราไม่เข้าใจแต่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นความสุข คือมีคนอื่นมากับนี้เราคนนั้นไม่ดีคนนั้นขี้เกลียดคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเที่ยวกลางคืนอดื่มสุราอะไรต่างๆเนี่ยคนมันมีสนักเซญกับมินทามีคนมาบินทาเราเราเกิดไม่พอใจอัคนควรไม่แพ้ไม่พอใจทุกคนตน้องมีไม่พอใจเพราะเรื่องอะไร ไม่พอใจเพราะเขามามินทาเรามาใส่ลา้ายใส่สีเราอั น, วนควมลินทาคมใส่ร้ายใส่สีนั้นไม่ใช่เป็นของชั่วไม่ใช่เป็นของดีมันเป็นธรรมดาโลกมันต้องเป็นอย่างไงแต่เราไปยึดไปถือเอารีกว่าพุกเกิดขึ้นควรไม่พอใจควรไม่พอใจอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่เห็นใจไม่รู้ใจไม่ตื่นใจกำใจจึงไม่ได้ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้บัด น, นี้เราต้องการความสุขความสุขอยู่ที่ไหนเราเนี่ว่าไปรักษาศีลไปทำบุญไปทำกรรมฐานไปทำความสงบหรือเข้าโรงออพยาบนวดอะไรต่างๆเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสุขแต่เราไม่รู้ไม่รู้เมื่อไม่รู้เราก็เอามาได้ความสุขมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นความสุข ที่อาตมาจะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็คือให้เรามาดูใจเราเดี๋ยวนี้เนี่ยนั่งอยู่ในขณะเนี่ยญาติโยมและเพื่อนทิสุสมณีด้วยกันเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังอาตมาพูดฟังแล้วก็ฟังเรื่อยใจเสยๆหลักษณะเสยๆนี่ท่านว่าเหนือทุกนั่นเหนือสุขที่มันมีอยู่ในคนความสุขประเภทนี้โดยไม่ต้องลงทุน ไม่จ้องไปรับศีลไม่จ้องไปให้ทานไม่จ้องไปทำสมถะกรรมฐานอะไรกันงแต่ถ้าเรารู้จักหามันก็พบออกที่นี่ดังนั้นคนเราทุกคนเหมือนกันเป็นผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันลักษณะนี้เป็นภาะสงองค์เจ้าก็เหมือนกันลักษณะนี้แต่ว่าไม่เหมือนกันเป็นบางอย่าง ไเหมือนกันคือคนที่มีระดับปัญญาไม่เหมือนกันคนที่มีปัญญาพูดให้ฟังแล้วหลักฐานนะที่จิตใจไม่ทุกข์ไม่สุขสนั้นท่านเรียกอเุเบกขาวางเฉยเนื้อสงบเนื้อสันติหรือว่านิาพพานก็ได้คําว่านิาพพานก็หมายถึงเนื้อทุกข์เนื้อสุขหรือความสบายว่าง เดียวนี้ลักษณะจิตใจขิงชีวิตของทุกคนมันว่างว่างไม่มีสิ่งที่จะสักสนวุ่นวายอะไรเลยพอดีมีคนเกือนอย่างนี้เราก็มาดูสภาพภาวะของซีโอลักษณะนี้ไม่ต้องลงทุนซื้อเพราะมันมีแล้วเราเพียงขุดน้ำให้ทุกสายเท่านั้นเองเมื่อขุดน้ำไม่ทุกสายแล้ว ขุดึกเท่าใดตัวอยังไม่ออกเมื่อขุดน้าทุกสายแล้วไปขุดไส้ไส้กับแม่น้ำออกเร็วอันนี้ก็เหมือนกันฟังที่พระท่านเทศท่านสอนแล้วก็จำได้เอาไปปฏิบัติพระท่านเทศท่านสอนมนเทศสอนหลายเรื่องเลยศาสนาคำว่าศาสนานั้นเราเข้าใจว่าเป็นวัดเป็นพระพุทธรูป หรือเป็นภระสงฆ์องค์เจ้าเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นศาลาการประเรียนเข้าใจอันนั้นเป็นศาสนาอันนั้นเป็นศาสนาสมมติศาสนาวัตถุมาข้างไหนทีใดก็ต้องพูดอย่างนี้ที่มาบัดโมกเห่านี้อาจะมาอยู่นี่เป็นประจำหลายปีก็ต้องพูดอย่างนี้ตลอดมาดังนั้นคนเรามู่จากศาสนาน้อย แต่รู้จักทุกคนแต่ไม่รู้จักว่าศาสนาจริงๆคืออะไรศาสนาตามตัวหนังสือและตำราท่านพูดเขาเลยศาสนานั้นแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นำเรื่องนั้นมาสอนอดูเรื่องดูลึกงามยามดีพอต้องนำเรื่องลึก ง, ง, งามยามดีมาสอนกันคนรู้จักวิธีเสียเขาะตระดก อันที่มันไม่ดีไม่งาม น, นั้นก็นําเรื่องนั้นมาทำให้เราดูเสียเพ้อเสด็จสิ่งไม่ดีไม่งามแไปคนคมรู้มีอย่างนั้นเพราะต้องนําเรื่องนั้นมาสอนบัดนี้คนที่เคยไหว้ผีกราบผีก็ต้องนําเรื่องไหว้ผีกราบผีมาสอนคนที่รู้จักวิธีไหว้เทวดาก็นําเรื่องไหว้เทวดามาสอน คนรู้เรื่องอะไรก็นำเรื่องนั้นมาสอนนั้นเป็นเพียงศาสนาศาสนาจึงแปลว่าคําสั่งสอนของพันุ์ผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนแต่มันแก้ทุกข์ได้ไหมถ้ามันแก้ทุกข์ไม่ได้ก็เพียงเป็นศาสนาเท่านั้นพุทธศาสนาแบบ น, นี้พุทธศาสนานแปลว่าผู้รู้ทำเห็นธรรมศาสนาจึ ง, งกับพุทธศาสนาจึงไม่เหมือนกัน จะเป็นศาสนาคิดกตามศาสนาอิสลามหรือพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ก็ตามหรือจะเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูตั้องไปดึกดําบันก็ตามคําว่าศาสนานะั้นมันมันมีมาแล้วแต่อาตมาเคยพูดวันนี้ก็ต้องไม่ไม่พูดกันได้เรื่องศาสนาคนป่าเนี่ยไม่ต้องพูดกันได้เพราะว่าเราพูดกันมาหลายครั้งหลายคนแล้วบัด น, นี้นะํามาพูดกันเรื่อง เรื่การให้ทางก็ไม่ต้งพูดก็ได้เพราะว่าพวกกันมานา น, น, นมาพูดกันเรื่องที่ว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการคือข่มทุกเราต้องพูดให้มากเรียกสิ่งที่เราต้องการคือความไม่ทุกต้องพูดสองเรื่องนี้ให้มากเพราะทุกคนต้องการสองเรื่องนี้เหมือนกันจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามคนเกิดมาแล้วไม่ต้องกามทุกทางนั้น จะเป็นคนจีนคนไทยคนฝรั่งเศสเรืองคนอเมริกาคนทาเมนคนดวนคนลาวใครว่าคื้อว่าคนขึ้นชื่อว่าคนแล้วไม่ต้องการทานนั้นคนทุกคนบิงเลี้หาเงินมากๆก็คิดว่าจะหาให้มีความสุขเรียนหนังสือมากๆก็นึกว่าจะเรียนให้มีความสุขไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้น ได้เรียนหนัสือมากๆบางคนเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับเป็นบ้าคนนี้อันนี้สิวดเรียนแล้วยังเอามาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คนมีเงินมากๆนอนไม่หลับบานทีเป็นโรคประสาทฆ่าตัวตายก็มีสแสดงว่าหาเงินมามากๆแล้วแก้ทุกไปได้เนื่องจากอะไรคนเนื่องจากไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไม่รู้ความหมาย ในทางพระพุทธศาสนานั่นเองดังนั้นหลักพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเราเป็นคนไทยหรือจะเป็นคนชาติใดก็ตามเราเข้าใจว่าพุทธศาสน า, าสอนแก้ปัญหาตัวเองพุทธศาสนาสอนแก้ปัญหาตัวเองเทียบจะมาพูดนี้แต่พระสอนนั่นอาจจะสอนเหมือนกันก็ได้ เมื่อพูดถึงตอนพระนี่ก็เลยมาเล่าให้ญาติโยมและเพื่อนที่สูสมณีนฟังทําความเข้าใจกันก่อนพราที่ตัวมาบวชเนี่ยที่อาจจะมาว่าเป็นหลวงพ่อเนี่ยอันนี้มันเป็นเพียงสมมติเป็นพระเพียงสมมติบวชแล้วก็สึกไปซึ่งออกไปแล้วก็บวเขมาอาจจะมาบวชมนันนี้เป็นครั้งที่สามเป็นเนนปีหกเดือน มาบวชเป็นพระนุ่มหกเดือนมาบวชเป็นหลวงตาเนี่แค่หลายปีแล้ว mm hmm. หลายปีแล้วไม่จบคนอะไรอันเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติพระจริงๆคืออะไรพระจริงๆคือบุคคลที่สอนคนคือบุคคลที่สอนคนบุคคลอะไรอยากเป็นใครใครก็ตามถ้าสอนเรื่องแก้ปัญหาตัวเองให้ได้แก้ปัญหาสังคมให้ได้นั่นแหละคือพระแท้ พระยี่งแปลผู้สอนคนคนใดยังไม่สอนคนให้ทนไปจากความทุกข์ก็เป็นพระโดยสมมุติคนใดมีปัญญาหรืออุดมการพูดให้คนแก้ปัญหาเรื่องทุกข์ส่วนตัวนั้นแหละคือพระแท้จะเป็นผู้หญิงสอนก็เป็นพระจะเป็นผู้ชายสอนก็เป็นพระจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าสอนก็เป็นพระ ดังนั้นหลักพุทธศาสนาพระองค์กล่าวว่าพุทธศาสนาของเหล่าตถาคตนี้จะมั่นคงถาวรต่อไปพอต้องอาศัยนำพักน้ำแรงฝีไม้ลายมือจากบริษัทสีคือชิกษุชิกษุนีอุบาสุกอุบาสิกานี้เองมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระธรรมวินัยอยู่ มรคนีผ่านก็ไม่ว่างจากลูกนี่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนิพพานเรื่องอื่นๆนะพระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงๆนั้นสอนเรื่องนิพพานพอให้ทุกคนเอานิพพานนี่แหละไปไว้กับจิตกับใจไปทำการทำงานก็ใหเอานิพพานไปด้วยในทางตรงกันข้ามแต่พระทรมวินัยของเราตถาคตมีอยู่ หาอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุนีเหล่านี้ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามแล้วคําสอนของพระองค์ขออ่นานคาถาหายไปคําว่าคําสอนของพระองค์ก็หมายถึงเรื่องนิพพานการให้ทานการรักษาศีลนั้นก็สแสวงหารเรื่องนิพพานนี้เองแต่ยุคนั้นไม่มีคนใดคนพบ ก็มีเจ้าทายศิริษฐคุณมานี่เองเป็นคนแรกคนพบก็เลยนำมาสอนเรื่องนิพพานเอานิพพานมาสอนให้คนฟังพระจึงแป็ผู้สอนคนดังนั้นให้พวกเราเข้าใจให้ดีว่าบริษัทสีนี่ก็มีผู้สายกับผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นพิตุนีก็ได้เป็นแม่ขาก็าาได้หรือจะไม่บวชเป็นแม่สีแม่ขาก็าาได้แต่ แม่ขาวแม่สีก็แสดงว่าเป็นเพศหญิงเป็นบริษัทหนึ่งบัด น, นี้พระสงฆ์องค์เจ้าถึงผู้ตายพิสุเป็นผู้ตายญาโยมก็เป็นผู้ตายสองคนเนี่ยแต่เป็นคนเดียวถ้าพูดสั้นๆก็เรียกคือผู้ตายนั่นเองพิกษุถ้าพิกสุกับพิกษุนีหรือว่าโยมผู้ตายกับโยมผู้หญิงพูดสั้นัก็ไว ถ้าสองคนนี้แหละเพศสายเพศหิงนี่แหละไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติแล้วมรรคผลมิผ่านก็ไม่มีถ้าหากสองเพศนี้ยังประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยู่มรรคผลมิผ่านก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ถ้าหักสองเพศนี้แหละเพศหญิงเพศชายนี่แหละอยู่ด้วยความสงบหรืออยู่ด้วยสันติอยู่โดยชอบ จะว่ายังไงบ้าถ้าอยู่โดยชอบก็หมายถึงคู่ปฏิดีปฏิบัติชอบถ้าอยู่โดยความสงบก็หมายถึงไม่คุกคีไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนอยูด่ด้วยความสงบป่ะเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนไม่สงสัยเรียกว่าพระอรหันต์จะไม่ว่างจากรลกนี้แต่เราเข้าใจมันไม่ตรง เรกว่าพระอรหันต์นั้นต้องมองเห็นตับไตไส้ปอดคนนั้นคนนี้อันนั้นจึ็ความคิดของคนที่ยังไม่รู้ธรรมตัวอาตมาเองพอเช่นเดียวกันเคยคิดอย่างนั้นอยากเป็นพระอรหันต์อยากมองเห็นจิตใจของคนทั่วไปและมองเห็นตับไตไส้ปอดของคนทั่วไปเลืออยู่ที่ตรงนี้มองเห็นบางที่อยากเห็นสลากจินแบกบ เรือรถจะเล่จะออกเลขอะไรอยากเห็นจันั้นอันนั้นเป็นความคิดของคนไม่รู้เป็นความคิดของที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่รู้ทำไม่เห็นทำแต่ความจริงแล้วพระอรหันต์นั้นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นคือผู้เห็นแจ้งรู้จริงคือเห็นตัวเองกําลังทํากําลังพูดกำลังคิด คนใดไม่เห็นตัวเองกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดนั้นท่านว่าคนไม่มีความละอายคนไม่มีความละอายแก่ใจ น, น, น<อ>คนใดเห็นตัวเองกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดนั้นว่าคนนั้นมีสติแล้วพวกเราก็เรียกคนนั้นกําลังรู้สึกตัวคนนั้นมีสิริโอตตาาะมีความละอายเสียใจจะทําจะพูดจะคิดสิ่งใดต้องสํำนึกถึงมัน ควรหรือไม่ควรพูดควรหรือไม่ควรคิดควรหรือไม่ควรนีว่าคนเห็นตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองสัมผัสตัวเองได้คนนั้นท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตคนใดเป็นจะไม่เป็นบัณฑิตเป็นสมบัติของคนเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นสมบัติของเทวดาเพราะเทวดานั้นก็เรานึกว่าอยู่ทันตวาความจริงเทวดานั้นคนมีหินโอสถะนี้เอง เรียกโอละอายเกิดใหญ่โอตปะพวมเต็มตัวตบากลับนีมม่เองดังนั้นคนที่ไม่รู้จักทำไม่รู้จักพูดไม่รู้จักคิดกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดไม่มีความละอายคนไม่มีความละอายนั่นเป็นยังไงต่อคาย ค, ายคายคือสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้จักอายมันอยากทำอะไรมันก็ทําไปมันอยากคิดอะไรมันก็คิดไป ดย่าเตะมันจะาท้าอุจจาระปัสสาวะที่ไหนมันก็ทำไปมันโดยไม่มีนความละอายเลยถ้าคนเราเป็นอย่างนั้นมันก็จิตใจมันเป็นสัตว์เดรสารอยูด่ดีว่ามนุษย์เป็นสัตว์ถ้าพูดตามคำพูดของคนโบราณสอนว่ามนุษย์สัตว์เดลัารมนุษย์เป็นสัตว์เดลัจารเต็นไมใส้แขงขาหน้าตามือเท้าเป็นจิตใจมันเป็น เป็นสัตว์เลืสารดังนั้นเราจะมองเห็นได้หรือเ่าเป็นผู้มีตาทิพย์เห็นอันนี้ให้เขาใจอย่างนั้นคนมีตาทิพย์ต้องเห็นคนไม่มีตาทิพย์ไม่สามารถมองเห็นสัตว์เลาสาดได้เราจะเห็นสัตว์สี่เท้าสองเท้าเป็นสัตว์รลอสาดอันนั้นมันเป็นภูมิของมันในตระกูลของมันพืชพันของมันเป็นอย่างนั้นแต่คนนี้ถนัดคนนี้ไบัด น, น, นี้ในทางตรงกันข้าม การทําการพูดการคิดมองดูสภาพคนนั้นรู้ดีทดําดีพูดดีคิดดีแล้มองเห็ น, หนสภาพคนนั้นโอ้เป็นเทวดาการแสดงว่าคนนั้นมีตาทิดตาชิดของพระเดียเจ้าท่านสอนเอาน้อยๆแต่เราไปเข้าใจลึกซึ้งไปหูทิดก็เช่นเดียวกันหูทิดนันก็บไม้ถึงอะไรหมายถึงคําพูดคําสอนของพระ อ, องค์นั่นเอง แต่เดี๋ยวนี้เราคนได้พูดเพราะดีๆแล้วก็โอ้พระองคั้นพูดดีชมเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์พูดจะ ง, ง่ายๆเนี่ยญาติโยมแต่ทุกคนต้องการพระสงฆ์ก็เหมือนกันแต่ทุกคนต้องการแต่เมื่อผู้ควจริงให้ฟังแล้วเกิดไม่ต้องการญาติโยมเกียรติธรรมะว่าอย่างนี้จะได้แต่ไม่เกียรติธรรมะ พูดธรรมะให้ฟังได้ฟังไม่ได้นี่ก็เรียกว่าเกลียดธรรมะเพราะเราไม่มีหูทิพย์นั่นเองหูทิพย์บางทีสุตรีนี้นเมื่อพูดธรรมะให้ฟังไม่ชอบวันนี้พระสงฆ์ทุกองค์ต้องต่างวิไัยให้มีระเบียบเรียบร้อยเมื่อพูดถึงวินัยให้ฟังแล้วเกลียดเข้ามาอีกแล้วพระสงฆ์ก็เหมือนกันดันั้นญาติโยมต้องเกลียดธรรมะพระสงฆ์โดยสมมุติต้องเกลียดพระวินยัย มรรคผลนม่ผานจึงเกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีคนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่มีคนประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพริจักรพูดทำมาให้ฝังายาเดียวก็ไม่พอใจบอกว่าทําอย่างนั้นมันผิดโยมทําอย่างนี้มันผิดหยบเกิดไม่พอใจขึ้นมาแล้วเนี่ยพระสง์องค์เจ้ากคเช่นเดียวกันทําอย่างนั้นมันผิดหลักพระวินัยทําอย่างนั้นพระองค์มไม่ได้สอนไม่พอใจแล้ว สังคมเขาทำอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องหันเข้าสังคมไป อ, อันนี้แหละปัญหาที่เราจะควรศึกษาเ่ทางพุ่งและยาวไกลไปให้ถึงทางพ้่งและยาวไกลไปให้ถึงแม้มรรคผลนิพพานจะไกลขนาดไหนเราจ้องไปเอามาไว้ใล้ให้ให้มันถึงเราแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ตายแล้วจึงออกสวรรค์ แต่แล้วจริงจะเอานิพพานเน้อธรามันกว้างมันยาวมันไกลไปก็เลยไม่ถึงเลยไม่รู้จักวิธีปฏิบัติไม่รู้จักว่ามรรคผล น, นิพพานคืออะไรมีแต่พระสงสอนกันว่าต้องทําบุญมากๆรักษาศีลทากรรมฐานให้มันสงบเต็มปัใจเป็นอุปนิสัยไว้สตกหน้าตายแล้วจริงเอาสวรรค์ตายแล้วจริงเอานิพพาน มีการสอนเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นก็ยังไปสอนกันเรื่องเครื่องลางของของอังปุกเสกกระจุ่ดคถ า, าอันนั้นมีไว้เพื่อํำหรับคนผู้ที่ไม่รู้ื่อคาถามนยันเครื่องลางของของัง <c> ก <oughs> ็เพราะเราไม่เคยฟังเทศฟังธรรมแค่ฟังพัชรเทศกัน เ ท, เทศอย่างนั้นมันไม่ใช่เทศเรื่องพนทุกเทศเรื่องใดเทศเรื่องคนให้สบายใจเพียงส่วขาวคนโบราณบ้านหลวงพ่อสอนเอาไว้ว่าคาบ้านของเรานะี่ยมีงบังดีนี่มุงให้ทีให้ดีใส่สังกะสีหรือบ้านหลวงพ่อตะคนมันมุงเนี่ยคาหลังคามุงแฟดอะไรนะ หมกปลาแดกแล้วก็เอาเข้าวจ้ากินกันนะแส่ยมุงแค่ น, นั้นดีนะ <c oughs> ยูมเงินน้อยๆแตะหลังคามุงแฟกกินข้าวหมกปลาแดกกินข้าวจ้าปลาแดกก็สบายใจนะถ้าฝนตกไม่รัวนะ่นะมาเดี๋ยวนี้ท่านว่าหลังคาบ้านเราเนี่ยยิ่งมุงก็ยิ่งบังดียิ่งบังดียิ่งมุงดียิ่งบังดีฝน <Okay. S 1> ตกไม่รัวรดคือฝนตกก็ไม่เปียกเราเพราะเรามุงดีเนี่ย แดดออกก็ไม่ร้อนเพราะเรามุงดีเนี่ยวันนี้ห่วมชั่วบันยิ่งปกปิดอะไรห่วมชั่วเนี่ยทาอยู่ที่ไหนก็ยิ่งปกปิดไม่อยากคนรู้ยิ่งลั่วรลดยิ่งหลดหดตัวเองเข้ามาทุกทีทุกทียิคงหวมชั่วนั่นคือปิดบังไม่ได้แกจะไปพูดอยู่ที่ไหนก็ปิดบังไม่ได้เรื่องจากการพูดการสอนนี่แหละสําคัญอย้คาคห่วมชั่วเลย ยิ่งปกปิดยิ่งล่วลถดเองแค่ความดีนะ่่ะยิ่งบุงก็ยิ่งบงังฝนตกไม่ล้วรุดเอวันนี้เราพยายามพูดความจริงให้คนฟังคนผู้ใดมีปัญญาแล้วเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ตัวเราอันเราไม่รู้ตัวเราเพราะเรื่องอะไรเพราะเราไปสนใจเรื่องนอกตัวของเรา คนไปสนใจเรื่องนอกตัวของเราแล้วจะเป็นการศึกษาตัวของเราบ้างไหมไม่ใช่เป็นการศึกษาตัวเราพระพุทธเจ้าท่านเรียนมาแล้วนี่เรียนกรับครูอาจารย์มาจนได้สมาบัติแกอันนั้นไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพูดอย่างนี้จะหาว่าหลวงพ่อโกหกนะไม่ใช่โกหกพูดความจริงให้ฟังเรื่องให้ทานเขาก็มีมาก่อนแล้วเรื่องรักษาศีลก็มีมาก่อนแล้ว เรื่องทํากรรมฐานก็มีมาก่อนแล้วถ้าองค์นี้เป็นเรียนกับอาราดาบตุตรกาจบุตรจนได้สมาบัติแปดแล้วพวกเราอยู่ที่นี่ทําได้สมาบัติแปดไหมไม่ได้เลยและเรายังเข้าใจว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันเข้าใจว่าเป็นคําสอนของพรนะพุทธเจ้าน่เป็นคนสลาดหรือเป็นคนไม่สลาดอัตมาข้าจว่าเป็นคนไม่สลาดเธอจะเรียนจบปัญญุสิทธิ์ก็ตาม พูดถึงไม่ไมพูดประโยคเก้านะพูดประโยคสิบเรียนจบประโยคสิบก็ตามยังไม่สลาดพอแต่คนเรียนทางโลกแบบนี้จบปริญญาเอกเออเนี่ยเหลือเอกไปอาว่าอะไรก็ไม่รู้เลยคือมีปริญญาตรีโควเอกเท่านั้นเองก็เลยไม่รู้จตกว่าประโยคสิบให้ก็ไม่ได้รู้เลยคือเหลือจากประโยคเอกไปแล้วยังไม่รู้ปริญญาเอกไปแล้วเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็จะว่าคนนั้นสลาดไหมยังสลาดไม่พอ สลัดแบบนั้นเรายังไปงงงายอยู่ทำไมอาตมาเป็นคนไม่รู้เรียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ก็ต้องหลงไปเพราะครูบาอาจารย์สอนเดียเ๋ยวนี้นักศึกษาปริยตีปริยโทปริ ย, รรยเอกดีมากแต่บางคนพูดให้ฟังในน้อยก็เข้าใจบางคนพูดให้ฟังไม่เข้าใจเลยอันนั้นเรียนจะถือว่าเอาคมสลัดไหมเรียนยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่สลดัด ยิ่งเรียนก็ยิ่งถลํมเข้าไปในตำรักตำรามันเป็นอย่างนั้นพวกเรามาที่นี่ควรที่จะจดจำเอาไว้สมาบัติแปดไม่ใช่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะเหาะเหินหายตัวได้ก็ไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่านึกว่าทางนั้นคนทุกไม่คนทุกเลยจอเหาะคือนกนี่ก็ตามหายตัวได้ดําดินบินบนได้ไม่เป็นคำสอนของพระพเจ้า คนใดยังเป็นนึกคิดว่าสิ่งนั้นแหละเป็นคําสอนของพระเจ้านั่นแหละถ้าพูดอย่างตรงๆก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิพย์หรือเป็นมิจฉาทิฏฐิข่คมคิดยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังไม่เข้าใกล้ยังไม่เข้าใกล้กับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนานแล้วหลายปีแล้วไม่ได้มามาวันนี้ก็ต้องพูดควางจริงสู่กันฟัง เพราะบางทีอาจจะไม่ได้กลับมาทางนี้กลับเข้ากรุงเทพแล้วก็จะกลับไปเมืองเลยบางทีตายแซากระตินนะแต่ลูกอาตมาก็ยังตายก่อนทั้งหมดแล้วนี่เองนั้นยังเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยวันนี้ก็มาตามเอาจะให้ไปว่าลูกตายวันนี้ตายคืนนี้งู ก, กัดไว้ให้ไปไปทำํำไมตายแล้วก็เรียกัดหนูเพราะไปก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ตายแล้วนี่ให้ไปจุดเอา้าใครจุดก็ได้ใครก็ไปจุดได้ไปฟังได้ไปทําได้ทั้งนั้น หลวงพ่อไม่ไปกระทำได้ต้องทํากันเองช่วยได้แต่เมื่ อ, อยังมีลมหายใจค น, นตายแล้วช่วยไม่ได้ญาติโยมก็เช่นเดียวกันจะหาว่าหลวงพ่อมาคอยตำหนิมาคอยจับผิดดูทูกว่าตายยนะังไไม่คือมาเตือนจิตสักกิจใจให้เรารีบลงมือทําแก้ไขปัญหาตัวเองให้มีความเห็นให้ถูกต้องฟังความพระเทศให้เป็นถ้าฟังคําพูดคําสอนของพระเทศไม่เป็น เราก็เลยจะไม่รู้ไม่เข้าใจําสิ่งที่เราต้องการนั่นเนี่ต้องการควรไม่มีทุกข์แต่ความจริงนั่นควมไม่มีทุกข์นี่ยมีอยู่แล้วเหมือนกับที่เรานั่งอยู่ที่ศาลานี่เนะี่ยใต้ศาลาลงไปพืชนดินเนะี่ยมีน้ําขุดลงไปที่ตรงนี้ต้องมีน้ํำจริงๆจริงที่ไหนก็ต้องมีหมดดังนั้นคนทุกคนต้องมีแล้วอันควรไม่มีทุกข์นี่คือว่า เปรียบเทียบให้ฟังอะเหมือนกับใต้สลาลงไปขุดลงไปตั้งเจอนานจริงๆบันนี้ก็มาพูดเรื่องคนทุกคนต้องศึกษาลงไปที่จิตที่ใจของเรานะึกคิดมีแล้วที่ไม่มีทุกมีแล้วคําว่านิพพานนิพพานนั่นจึงเป็นลูกตุ้มไม่ให้คนตายเร็วถ้าคนใดไม่เอานิพพานไปใช้ก็ตายเร็วนะตายเร็วจริงๆ ทำไมจึงตายเร็วคนใดโกรธมากมากช็อกตายเลยแต่ไม่โกรธถึงที่ก็ตายลงไปวินาทีโกรธครั้งหนึ่งตายวินาทีโกรธสองครั้งตายสองวินาทีโกรธนานๆเขาตายเป็นถึงวินาทีเป็นวินาทีแล้วก็เป็นส่วโมงเป็นส่มหมื่นก็เป็นสองส้มโมงไปให้เป็นอย่างไงดังนั้นความโกรธนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สํำคัญแต่ความโกรธเาจะไปหามันได้ไหมหาไม่ได้ หาสิ่งที่ไม่มีความโกรธนั่นแหละคือมันไม่มีโกรธเดียเ๋ยวนี้ในขณะนี้ความโกรธมันมาโดยวิธีใดก็มาโดยที่เรากําลังลืมตัวลืมจิตลืมใจลืมทริปของเราเมื่อเราลืมตัวมือเป็นงตะคิดลืมตัวขณะไหนเวลาใดก็ความโกรธมันจะเข้ามาเพราะเรามีพรมหลงพระพุทเจ้าจึงสอนว่า ให้เรามีสติภาษาขึ้นบ้านเราเรียกวให้เรารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจพูดเมื่อกี้เนี่ยในขณะไหนเวลาใดไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกใจการทำการพูดการคิดนั้นไม่ใสสมบูรณ์แบบแล้วไม่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงก็คนไม่มีคมละอายในใจ ท่านได้ไหมนีนี้ผมละอายแก่ใจโอตปะปาขวมเกงกลัวต่อบาปกรรมบาปเกิดขึ้นที่ไห น, นเกิดขึ้นที่ไม่รู้ตัวเองไม่รู้จักการทําการพูดนั่นเองเมื่อไม่รู้จักการทําการพูดการคิดของตัวเองแล้วพูดผิดเขาตําหนิเขานินทาเมื่อเขาตําหนิเขานินทาใส่ลายป้ายเสีลยเกิดไม่พอใจคนใดไม่พอใจแล้วนั่นแหละคือนรกท่าน นรกเนี่ยไฟไฟนรกไม่มีแปลวไฟหงสต้มมีแปลวแต่ไฟหงสต้มนั้นน่ะเรารู้เราเห็นแต่ไฟนรกไม่มีแปลวเราไม่รู้เราไม่เห็นคนไม่มีตาทิพย์จึงไม่เห็นคนมีตาทิพย์จึงเห็นคนมีตาทิพย์ก็ต้องเห็นจะต้องกัดคนไม่มีตาทิพย์คนมีปัญญาเมื่อมาถึงเราต้องแก้จะแก้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ดังนั้นคนบูราณที่ว่า สอนว่าหลังคาบ้านเรามุงดีดยิ่งมุงดีก็ยิ่งบังดีฝนตกจึงไม่ล่วไม่ลดฝนตกที่ไม่ไม่ถูกเรามันไม่ล่วลงมามันก็ไม่ลดเราแดดออกมามันก็ไม่ถูกเรามันก็ไม่มันบังดีแล้วบันี้คว่ำชั่วบันีย้ยิ่งปกปิดอะไรตึย้ยิ่งบังมะไรตึ้ยิ่งล่วออกไปยิ่งรั่วเพราะพราะเรายิ่งพูดคนได้โกรธขึ้นมา เราลุงจะพูดจะ่นั้นมันผิดผิดใครยิ่งโกรธก็ยิ่งแสดงความไม่ดีออกมายิ่งพูดคนอื่นก็ยิ่งได้ยินย่างนั้นควมชั่วยิ่งปกปิดยิ่งล่วลดออกมาให้คนฟังดังนั้นพวกเรามาที่นี่อย่าแสดงควมชั่วแต่คนไม่รู้จักควมชั่วก็จะเอาความชั่วมาแสดง เมื่อไม่รู้จักว่าสิ่งนี้ขมชั่วเราก็ต้องพูดไปนึกว่ามันเป็นของดีน<ม>เป็นอย่างไงอันกลมทุกโกชเช่นเดียวกันเรานึกว่ามันโกรธขึ้นมาแล้วมันสบายใจได้พูดให้คนนั้นคนนี้เนี่ยสบายใจเบาใจเี<ม>่ยไดพูดไปเต็มปากเต็มปาอันนั้นแหละแสดงว่าแสดงความโง่ามากที่สุดใครใครก็ตามเนี่ยอยากจะหาว่าดงพ่อพูดให้คนนั้นคนนี้นั่นพูดความจริงสู่กันฟังต้องการความจริงใช่ไหม เนี่ยเนี่ยทุกคนต้องการควาคิดดังนั้นความชั่วไม่ควรพูดถึงเราลังงับไม่ทันก็ต้องปิดปากไว้ยังไม่พูดความดีเนี่ยเราต้องพูดได้ทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีคนพูดดีทำดีคิดดีท่านก็เรียกว่าบัณฑิตคนพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วท่านก็เรียกคนผานเนี่ยคนผานภายนอก คนพานภายในเราให้รู้จักคนพานภายนอกอส่วนเราไปในทางที่ผิดคนพานภายในคือเรามันส่วนเราพูดในคำชั่วคำหยาบนั่นเองดังนั้นพะ ร, ระจึงแปลผู้สอนคนไม่ใช่ว่าสอนจะไปทามาหากินนะไม่ได้สอนอย่างนั้นคนมันต้องกินข้าวมันต้องนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเรามันต้องไปหายารักษาโรคอีไเมื่อไม่มีเงินนะจะไปอะไร มนก็ไม่ได้กินเพราะทุกวันนี้มีแต่การซื้อการขายถ้าไม่มีเงินจะไปซื้อเสื้อซื้อผ้าที่ไหนมานุ่งมาถือถ้าไม่มีเงินจะไปเอายาที่ไหนมากินมันต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายเงินจ่ายท้องจึงว่าหันติควมอดทนต้องอดทนต่อแดดต่อลมต่อฝนอดทนต่อสู้การงานทุกประเภทคนนั้นจึงว่ารู้จักหน้าที่ของคน ถ้าหากไม่รู้จักหน้าที่ของคนเราจะรู้จักหน้าที่อะไรก่อนรู้จักหน้าที่ของผีหน้าที่ของสัตว์อิรักสารจึ่งปฏิบัติหน้าที่ของคนไม่ได้จึ่งค่้อยๆไปปฏิบัติแต่นหน้าที่ของสัตว์อิรักสารของเปรตของอสุรกายอย่างนั้ น, น, นเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นมันมีอยู่กับโลกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทันว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราแต่ถาคด แต่เมื่ อ, อยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็สะอแสวงหาอยู่สะอแสวงหาจนพบจนรู้จนเห็นท่านก็นว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตแต่พวกเรามาที่นี่คือกันเมื่อไม่รู้ก็ส่อแสวงหาครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้สำนักนั้นสำนักนี้เนี่ย เหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าคือ ก, ก, กันกับพระพุทธเจ้าท่านยังไม่รู้ก็ต้องเสาะแสวงหาจนพบจนเห็นจนรู้บัดนี้ท่านว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้พระองค์นั้นสอนแต่พระองค์ทำยังไงเราที่มาที่ตรงนี้บางคนอาจจะศึกษาแล้วเรียนญาติโยมก็เคยได้บวชเป็นฌานก็มีเป็นทิศก็มีเป็นเสียงก็มีบางคนไม่ได้บวชเป็นทิศเป็นเสียงก็คงจะได้เรียนว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พาะการทำทางคิดทางใจได้ได้ฟัง บันนี้ยพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็บางคนก็เรียนนักธรรม ท, ทีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียนบาลีเป็นมหากรุณได้ยินแล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดสั้นรู้เพราะการทำทางจิตทางใจแต่ทําไมจึงไม่รู้ก็พระองค์บอกว่าเราตัดสั้นรู้เพราะการทมทางใจแต่เราเคยรู้ใจเราไหมรู้ใจรู้มันคิดแต่มันคิดอยากไปตีเขาก็ไปตีคิดอยากไปกินเหล้าก็ไปกิน ที่จะไปเล่นการพ น, นันก็ไปก้ยหลายอย่างโยมเขาว่ากิเลสพันหา้าตัณหาลอยแปดมันอยู่ที่ไหนกิเลสพันห้ามันก็อยู่กับขันห้านี้เองตัณหาลอยแปดอยู่ที่ไหนกันอยู่เรื่องอดีตอนาคตกับปัจจุบันนี้เองอดีตอนาคตปัจจุบันมีเท่าไหร่สามสิบหกนะอ่าสามสิ 13. อดีตสามสิบหก อนาคตสามสิบหกปัจจุบันสามสิบหกสามหกโคตสิบแปดนั่นเป็นยังไงแต่เราไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนมันไม่มาจากอดีตก็มาจากอนาคตปัจจุบันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารู้จึงว่าพระพระเจ้าจึงสอนเรื่องปัจจุบันแต่เราไม่เคยรู้ปัจจุบันเลยคิดแล้วก็ไปกันเลยทีเดียวจะรู้ของคิดแบบนั้นถ้าองค์ท่านสอนให้เรารู้สึก ตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจมีสติควบคุมก า, วายวาจาใจกันนะ่อยอย่างนั้นจิว๋วถ้าหากภิกษุหรือฆราวาสญาติโยมป่อพืปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยู่นั้นมักผลไม่ผ่านข้อไม่ว่างจากโลกนี้อีกคำหนึ่งว่าถ้าหากภิกษุสมณีฆราวาสญาติโยมอยู่โดยชอบหรืออยู่โดยคมสงบแล้ว อระพอตเลาหันก็ไม่ว่างจากโลกนี้อยู่ด้วยชอบเยู่อย่งอยู่ด้วยคมทะเลาะกันเลยอยู่ด้วยคมผิดเพียงกันเลยไม่อยู่โดยชอบกับคนอยู่ด้วยคมรู้จิตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจอยู่ด้วยสติปัญญานี้เองเรียกว่าอยู่ในชอบเมื่อมันคิดขึ้นมาก็เห็นคนนั้นพูดสนเสริญเราชมเรา มันก็เป็นเพียงลมปากพูดเท่านั้นคนนั้นมาตำหนิเรานินทาเราก็เพียงลมปากเท่านั้นเองมันไม่ใช่ดีมันไม่ใช่ชั่วเพราะคำพูดของคุณมันดีเพราะเราทำดีมันชั่วเพราะเราทำชั่วดังนั้นจิว๋วให้เรารู้อยู่ในขณะปัจจุบันนี้เองในขณะนี้แหละเดี๋ยวนีจจ้นี่แหละปัจจุบันนี่แหละจิตใจเราเป็นยังไง นี่ปัจจุบันนี้เป็นยางไงที่วะนิพพานเป็นลุกตุ้งให้คนมีชีวิตอยู่ได้กว่าคนนิพพานเมื่อไม่มีนิพพานไม่ปรากฏข่าวใดแล้วก็มีโกรธมีดีใจมีเสียใจจิตใจต้องหวั่นไหวอยู่เรื่อยๆเพราะมันมีลมพัดอยู่เสมอดังนั้นการปกติกายปกติวิญาติปกติใจอันนั้นแหละที่วะเป็นสมบัติของมนุษย์จือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไม่ใช่เป็นสมบัติของปุถุชนไม่ใช่เป็นสมบัติของสัตว์เวลี้ยงสไม่ใช่เป็นสมบัติของเป็มันเป็นสมบัติของมนุษย์มนุษย์จึงแปลว่าผู้จิตใจสูงเป็นผู้ที่หักห้ามจิตใจได้ท่าเนเหรอมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงออกจากมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงกว่ามนุษย์สเทโวเทวดาก็คือคนธรรมดานี่เอง คนใดมีหินิมีโอตตะปะมีคมละอายต่อการทำการพูดในขณะในเวลาใดนั่นแหละเป็นเทวดายังไงเจ่ยมนุษย์สัเทวมนุษย์เป็นพระอินทร์พระพรหมก็ได้คนใดเห็นคำนะกำลังเขาทำเขาพูดเขาคิด้เขาไม่รู้เขาจึงทำเขาจึงพูดอย่างนั้น ก็มีความสงสารเมตตาให้อภัยเขาก็เรียกว่าเป็นอินเป็นผมกันว่าเไม่อื่นไก่เมื่อมาพูดหลักธรรมมาให้ฟังโยมไม่ชอบโอ้คุณพันเจ้ทําได้ทาไมมันทำไม่ได้แต่เมื่อยังเป็นปุถุสุเมื่อเรารู้ทำเห็นทำก็ทำได้เหมือนกันกันกนกบพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระญาบุคคลคนใดเห็นจิตเห็นใจ ในขณะทำในขณะพูดใ น, นขณะคิดเขาลบตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือเป็นอริยบุคคลกันหมาจึงมีสมมุติบัญญัติสมมุติขึ้นมาผู้นายกนายข อ, ข อ, ขอปรมัดบัญญัติโกดริงไม่โกดริงอัถฐบัญญัติลึกลับบุคคลที่จะเห็นจิตใจตัวเองได้ลึกลับคนที่จะมีตาเทปหูเทปได้นี่ว่าอัถฐบัญญัติอริยบุคคล ผู้ใดรู้ผู้ใดเห็นก็เป็นพภาริยเจ้าหรือเป็นภริยบุคคลพระาาสงฆ์เขเรียกเป็นภาริยสงฆ์ถ้าหากญาติโยมเป็นอย่างนั้นก็เรียกเป็นอาริยบุคคลพระาาจึงแปลผู้สอนคนคนในสอนคนในพ้นไปจากสภาพดุภาวะผมทุกคนนั้นก็เป็นพระได้ท่านจึงว่าพระจึงแปลผู้สอนคนพุทธศาสน า, นาพุทธะจึงแปลผู้รู้ธรรมผู้เห็นธรรม คนใดรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมย่อนเบิกบานด้วยธรรมอยูด่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมนั่งด้วยธรรมนอนด้วยธรรมไปไหนมาไหนไปด้วยธรรมะธรรมมะจีบเป็นการทำดีทำชั่วจีบเป็นอาธรรมคนเรามันมีทำดีกับทำชั่วไม่ทำดีไม่ทำชั่วไม่ทำดีไม่ทำชั่วทำยังไงทำแล้วเป็นการปูสาพระพุทธเจ้า พระพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำปูสามนุษย์ทำปูส า, าพระเครือพระพระเจ้าซึ่งคือคนธรรมดานี่เองทุกคนเป็นพระพระเจ้าได้เป่นไรนันนะแต่เราไม่รู้ว่าต้องเป็นเจ้าสายคิดถ้าจะเป็นพระพุระเจ้าได้เนี่เขาใจตัวอาตมาเองอยากเห็นธรรมอยากรู้ธรรมก็เป็นนั่งภาวนานั่งหลับตาก็ได้ไม่หน่าจะอยากเห็นพระเครื่องเดี๋ยวก็เห็นแสงเห็นสีเห็นอะไรกิจปฐา แล้วันนั้นเห็นทำอันนั้นแหละคนไม่เห็นใจตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ดีแล้วอ่ะทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องลนะมักต้องเจริญมีโลดทําให้แจ้งเราพูดได้แต่เราไม่รู้ทุกคืออะไรเพราะการเคลื่อนไหวของลูกพารุกกา ย, ยมันเป็นทุกทุกจึงแปลว่าคนไม่ไหวเราต้องกําหนดรู้อันนี้เมื่อกําหนดรู้อันนี้ปัญญามันจะเกิดขึ้น สมุต ท, ทัยต้องล่าตัวสมมุตทยัทยก็คือตัวคิดนันเองเรียก ว, วสังขารทันใดเช่นนั้นภาษาธรรมเรียก ว, ว่าสังขารภาษาบ้านเราเรามันคิดไม่รู้จักหยุดนี่คำนั้นคิดเลยไม่รู้จักหยุดนั่นแหละตัวสมุตทยัยจะทํายังไงพระพุทธเจ้าท่านหอยให้รู้สึกตัวบัด น, นี้เราสมมุติเอานะนั่งอยู่เนี่ยกำมือเหยียดมือพลิกมือขึ้นพว่มมือลงยกมือไปเอาเมื่อเรามารู้สึกตัวนี้มันก็วางขมคิดเลย เมือมันไม่คิดเริ่มกัรอยู่กับตัวนี้มันเรียกว่าเป็นวิชาอันมันคิดไปเรื่อยๆน่ะเป็นของคคิดของอวิชชาอะวิชาจึงแปลไม่รู้อ่ะไปว่าไม่วิชามันรู้ลูกคิดออกไปนอกตัวเราไปสมมติไทยต้องละเมื่อเราทํำยังไงมันไม่รู้กับอ้าวอย่างเนี้ยอย่างนี้ยมันกระเทืออย่างนี้มันรู้สึกตัวมันกระว่างกอคิดมันก็มาอยู่กับคนรู้สึกความรู้สึกนี่จึงว่าเป็นกุญแจลูกสําคัญลูกเอกลูกหนึ่ง หรือจะส ม, มุนไมันเป็นนอ็อตเป็นเกลียวหมุนออกมันออกได้พอดีวางกึศลงนี่มันวางควมคิดพอดีวางคงคิดเราก็ทําบ่อยๆมักต้องเจริญต้องทําบ่อยๆทําบ่อยๆเขาเรียกว่าเจริญถ้าทําอย่างนี้มันไม่หยุดเอามือมาอย่างนี้เรียกว่าอย่างไงเลยหมายว่าอะไรเลยฮะโคกหัวโคกหั ว, หวมือโคกหน้าผากเนาด้กันคกโคกนึง พอได้มาเจ็บนี่ปุ๊บมันวางเขาคิดเลยเนี่ยสมุทยัยจองลามันเป็นวิธีง่ายๆดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักธรรมชาติศึกษาธรรมะกับธรรมชาติที่ว่ามันไม่รู้มันไม่รู้มาจึงทําไปอย่างนั้นทำไปอย่างนั้ น, น, นแล้วคนนั้นรู้จิรู้แบบไม่รู้รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้เนี่ยเราพูดให้ฟังแต่มันไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก่อนมันเป็นเรื่องของหัมไม่เข้าใจเพราะเขาคิดว่า สิ่งที่เขาทํานั่นมันถูกต้องมันพูกอย่างถูกต้องของเขามันไม่ถูกต้องอย่างคําพูดของเรามันเป็นอยังไงอย่ารู้อย่างนั้นก็ดีแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์อันนั้นพระเจ้าสวัทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องนะมักต้องเจริญมักคืออะไรทำข่มรู้สึกบ่อยๆอย่าให้มันหลับอยาให้มันสงบแม้มันหลับไม่ให้มันสงบมันก็ทุกข์ที่หัวเอา คนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาท่านวายะไม่ใช่ล่วงทุกข์ไปได้เพราะขมสงบเคยได้ยินไหมคนล่วงทุกข์ไปได้เพราะขมสงบหรือยังไงคนล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาท่านวาใช่ไหมคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาท่านวายะนะการเป็นนั่งสงบอย่างนั้นมันไม่ใช่สงบแบบวิปัสนามันสงบแบบสมถกรรมฐานท่านาะสมถกรรมฐานเป็นอุบายให้สงบ นิพพัฒนากรรมธันเป็นอุบาสิกเกิดปัญญาในรายนั้นนิพพัฒนาจึงเป็นปัญญาและมีความสงบอีกด้วยสงบจากอะไรสงบจากข่มโกรธสงบจากข่มโลภสงบจากข่มหลงสงบจากข่มยุ่งยากสงบจากข่มสับสนวุ่นวายข่มสงบที่มีสองอย่างสงบแบบไม่รู้สงบแบบรู้รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้ให้เราเข้าใจอย่างนี้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ว่าทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละเราละไม่ได้เรียนนักธรรมซีจนเป็นประโยคสิ์คิดไม่หยุดเป็นบ้าคนหนึ่งจิงยังวันนี้เรียนไฟโลกเรียนตั้งเตปอหนึ่งถึงปรย์เอกนอนไม่หลับเป็นบ้าคนานี้กันรู้แบบไม่รู้ บันนี้คนเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่เป็นเขารู้จักวิธีเทคนิคกลไกของความคิดเขาหยุดความคิดได้แล้วสองคนนี้คนใดมีปัญญากว่ากันนี่ยเป็นอย่างไงเราต้องเอาคนที่แก้ทุกได้อ้าวสมมุติให้ฟังเรามีมีข้าวนะมีเข้ารีบบ้านหงพอเดืวเข้าวถีเข้ารีบมีกองใหญ่ๆหญ่ทอสลาเรานี่แหละ ของเขารีบแต่เขาไม่มีไนบันนี้เข้าเปลือกแต่เข้ามีในได้จากคุกถังกันได้หรือ่าจากอย่างไรอาตมาพูดไหมได้อย่างถังหรืออะไรเนี่ยถังถั ง, ถงแล้วมีเขา้าเขารีบจับพันถังแล้วมีเขา้าวอ้วนข้าเต็มถังเดียวโยมจะเอาอะไรเอาเข้าเต็มเนี่ย นั่นแหละเราชอบจะเอาเจอเข้าผีเขาไม่มีไนแล้วเขาไม่มีไนมันไม่มีวิตามินกินเท่าไหร่ก็ไม่มีแรงเลยเห็นไหมอย่างเขามีไนกินเม็ดเดียวก็ได้กับเม็ดเดียวนั่นแนหะไปแกะแล้วเป็นนื้งไปต้มไปกินมันมีวิตามินดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมก็เช่นเดียวกันเราฟังทั้งวันทั้งคืนมีความตลกเฮฮากันอันนั้นเขาว่าของไม่มีวิตามินจังว่าพูดธรรมะให้ฟังโยมไม่ซอก โยมก็ต้องเกียรติธรรมะพระต้องเกียรติวินัยเนี่พอพูดธรรมะให้ฟังก็ฮ่วงนอนโอ้ยพูดยังไงไม่เข้าใจเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหเป็นอย่างนั้นจงญาติโยมมาที่นี่ต้องพยายามฝึกตนเองอบรมตนเอง พ, พระพุทธเจ้าฝึกตนตนเองอบรมตนเองรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ น, นำมาสอนเนี่ยวัดทั้งหลายเราพู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น แล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาาคตนี้รู้อะไรเห็นอะไ ร, รกร็รู้กา ย, นน ย, าายรู้ใจรู้กายกายอะไรเ น, เนี่ยบ้นเดียวธรรมะเดี่ยวรู้ลูกรู้น้ําภาษาบ้านเดียวรู้กายรู้ใจอะไไม่เป็นอย่างไงเลรู้ทำไมรู้จักมันทำรู้จักมันพูด รู้จักมันคิดเป็นสามปิดกพูดให้ฟังอย่างลัลันสามปิดกคือพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมพระสูตรตันตปิดกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระวินัยปิดกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์รวมเป็นสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์พระอภิธรรมปิดกเดียวสี่หมืนสองพันพระธรรมขันธ์รวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่เรจะไปเรียนครบจบได้ไหมไม่จบเลย คนที่กินข้าวเปลือกก็ต้องเรียนไปอย่างนั้นแะเรียนไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ศึกษาตัวเองมั น, นั้นเขาเรียกว่าศึกษาไปตามเรื่องอันคำว่าภาพาสูตรพระวินัยสองปีดกเนี่ยกายจะทำคําพูดจะพูดมาจากใจใจสั่งให้กายทำใจสั่งให้คาปากพูดออกมาที่ว่าพระอภิธรรมคือตัวจิตใจสั่งให้กายเรียนรัดปิดใจเดียวก็ได้ พระใจปิดดุแบบเสี้ยตมาวานี่แต่มันขัดกับตําราหน้าเลยแต่ไม่ขัดคนใดมีปัญญาแล้วไม่ขัดทําไมคือไม่ขัดอาจารย์ได้ยินครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังแต่อาจารย์เรียนมามากสอนลูกพิษลูกหาเป็นพระอริยบุคคลเป็นจํานวนมากแต่ตัวเองยังเป็นปุถุชนไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพูดโทเทระบาลานเปล่า ภิกษุกัมพีเปล่าอะไรก็สำเนึกได้มีความล่าอายในใจทำไมไปถึงพระพุทธเจ้าครั้งใดก็ได้ไว่าภิกษุไบรานเปล่ามาแล้วภิกษุกัมพีเป่ามาแล้วพูดแต่เยางนั้นเยาะเย้ยเกิดอาจฉริยไม่ได้ยินเพียงครูบาอาจารย์เราให้ฟังนะเรือ่องนี้เ น, นี่ยนะคิดสำเนึกในใจะแอะเป็นยังไงก็เลยไม่ถามลูกศิษย์ยักเรียนกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ไม่มีความสามารถที่จะสอนอาจารย์ได้ไม่สอนเลย ลุกติลูกหาเป็นพระญาบุคคลเป็นจํานวนหลายคนเนี่ยสอนเขาเขาได้เป็นพระญาบุคคลเนี่ยอย่างน้อยก็ตัวเป็นพระโซดาหรือเป็นพระอนาคามีเป็นพระ ล, ละหันแล้วจะจะเป็นแล้วแต่เราไม่เห็นถามไปถามไปไ ป, ไปถึงสมณีน้อยองค์หนึ่งไปถามสมณีน้อยเนีนสอนธรรมะให้เราได้ไหมสอนได้เนนสอนได้เนนสอนอาจารย์ แต่ให้อาจารย์ทาตามคาพูดของผมเขามีมันนะมีคิดทีตอนนี้คนเรียนนักนักธรรมเป็นตอนนี้คณเรียนไปโลกไปได้ปริยัติมีปริยัติพอเปผู้มีควณมุ่้เนยถอดูทูกคนไม่มีควารู้เขาไปมีคิดทีมีมันมเมนก็เลยบอกว่าถ้าลดมันนะลดคิดทีได้วันก่อนเนอาจารย์ก็รับสมรภาร์จะทาตามเมล เน้นบอกอะไรให้ทำทั้งหมดเลยวั น, ยนนี้เน้นเขาเลบอกอาจารย์ห่มเสื้อหมผ้าตอนา จ, จะไปยามหนาวห่มนี่ว่าอย่างนไรห่มเสื้อห่มผ้านะห่มถุงอ่อนให้สังคายพอดีไปตอนเราเนก็ลงน้านเนาี่ยอาจารย์อาจารย์ก็ลงไปเน้นก็ยุติากาฟังดูลงไปเพียงของเข้าไปเปียกขึ้นมาแล้วขึ้นมาพอแล้วเน้นเน้นก็จกลงได้ตอนมันหนาวเนี่ยมันยังไม่พอลงไป น้ำท่มมาขึ้นขาไม่เปียกขึ้นมาขึ้งขาพอแล้เรือยเดินยังไม่สอลงไปท่วมมาข้อเพอแล้วเรื่อยเดินยังไม่ส อ, อ, อ, อยนยอต้องทําตามเมาดินบอกติเพรารับสารภาพจะบอกจะสอนเดาจะทำตามนี้ลงไปลงไปจนท่วมท่วมพอท่วมคอแล้วอยู่ลงมาสิ่น้างงนํามันจะถูกเงี้ยนซะอย่างนี้แล้วน้ําก็ท่วมทางทางนี้หมดยังเหลือจะได้ด่างนี้พอแล้เรืนอยเดิพอแล้วขับขึ้นมาคันน้าท่วมดามันจะหายใจไม่ได้ไมันจะตาเนี่ยพอแล้วขึ้น อย่างไงนี่บแต่ผัดเสื้อผัดผ้าดีๆผัดเสื้อผัดผ้าดีๆเขาเริ่มมาอาจารย์อะไมีจุลโคล้งจุลหนึ่งมีหกลูกมีเมียอยู่อันหนึ่งตัวเรียอาจารย์จะจับเมียตัวนั้นโดยวิธีใดอ๋อ ม, มันจะง่ายไหมเนี่ยอาจารย์มีความรู้พอเนี่ยที่ว่านี่แหละขดนาไม่ทุกสายกินจะเข้าวเปลือกกินจะเข้าวไม่มีน้ำกินจะเข้าถผีเขา้เขาดีๆไม่กินเลยอาจารย์มีปัญญาเนี่ยพอดีเนีพูดอยงนี้ เอาจะ ata, จับยังไงนะเนี่ยเนี่ยถามอย่างนี้เ <de>. นี <iş> ่ยมันโง่ทีแท้เลยตอนนี้เนี่เข้าไปเก็บไม่ได้ไม่ได้ว่าอย่างนี้เนาะแต่แต่มาไม่เ <Por> ห <nose> ็นเลยคงจับใช่ไหเนี่ยนี่ยมันโง่เนี่ยมาถามอย่างนี้อาจจะที่จะนั่งกันได้พรเป็นลุกศิษทําำยังไงครับอุดห้าหูจงไม่หูเดียวหูนั้นทางนี้อาจจะมารูนะมารู้อุดห้าลูจงไม่รูเดียวหรืจะพบไปทาห้าหูก็ได้ หรือคุณะหกก็ได้บางทีจะอาจจะขุดรูเปล่าเุ้กได้เลยอถ้กห้ารูนึ่จ้าไม่รู้เดียวมันไม่มีทางออกเลยออกมาดูเดียวจะทํำยังไงนั่งดูมันอัดท่ารูมันออกมาก็อาค้อนตีออกมามันออกมาตีหัวปุ๊ออ ก, กทีเดียวก็ตายเลยอันนี้ก็เหมือนกันพระไใจปิดดกนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปเรียนอะไรมากพอดีจิตมันคิดปุ๊กปั๊บโอนี่เองตงเนี้ตั ว, ตวนี้จิตใจผลจะ บอกแมกออกกลับได้ไวันดุดมีรานอริในตนเราท่านควรบังคับคนให้จิตหมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิตหมุนไปในทางข้างขีทําที่มีก็อยากหนีจากนานหาให้ศูญอะทําเข้าเข้านําข่มและยันสำบูรณลก็ปิ้นเปาะหลอกตนคนจะไปเห็นนอกตัวเห็นสีเห็นแสงเห็นอะไรกี้ประจันเพราะจิตใจมันหลอกเรา แล้วอาจารย์ก็บเพาะมิดมีมิตรแล้วเครื่องหมายอันนั้นอันนั้นก็ต้องเอาใจไปเพ่งเลยมันจะเป็นเครื่องหมายทำมาเห็นจริงแท่ของที่เห็นนั่นเป็นแสิ่งของจริงยอมเป็นคนลิ้นกขนมันหลอกเราดังนั้นเรามาที่นี่อย่าให้จิตใจมันหลอกเราเราต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอมันนึกมันคิดให้รู้ทันทีจับที่ตัวนั้นให้มันได้ถ้าจับไม่ได้นก็จะหลอกเราอยู่เสมอไป จับได้ทำไมจับกับข้ามันสักข้ามเต็มได้นะแต่เพียงสมมุติพุดให้ฟังนี่แหละอาจารย์พอดีฟังเนนพุทอ๋อย่งงางนั้นจึงเนรนก็อย่างนั้นก็สําเร็จเลยได้เป็นพัญาบุคคลคนมีปัญญาแล้วฟังไม่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่ถือทนถือโตไม่เป็นทิฏฐิไม่เป็นมันนะฟังด้วยความเอาใจใส่ฟังด้วยความว่างว่า ออหลักสันนิษฐาจิตใจของคนมันเป็นอย่างนี้ออผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ผู้ชายก็เป็นอย่างนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นอย่างนี้คนหนุ่มคนสาวก็เป็นอย่างนี้เด็กๆก็เป็นอย่างนี้คนเท่าๆแก่ๆก็เป็นอย่างนี้นนนดังนั้นธรรมะหรือว่าชีวิตอะไรก็ตามน่ะควรศึกษาทางขั้วๆแน่ยาวยาไกลไกล เราต้องไปให้ถึงถ้าเราไปไม่ถึงทางขั้วทางไกลไปไม่ถึงจงไว้ราดหน้าจินออกก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะถึงได้ถ้าหากเรามีปัญญาฟังอย่างที่เมนสอนอาจารย์นั้นตื้ดใจเดียวก็เข้าใจดังนั้นคนฟังเทศฟังธรรมฟังเื้วยความว่า ง, างฟังด้วยศรัทธาฟังแล้วนำไปปฏิบัติเมื่อเราเอาไปปฏิบัติ โปรใยได้คือเป็นการปฏิบัติตัวเองไม่ได้ไปปฏิบัติที่อื่นปฏิบัติที่ไหนมันโกรธขึ้นมาเราเห็นเรารู้มันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เรียกว่ากันเมื่อเราโกรธขึ้นมาเราไม่เห็นโอ้โกรธแล้วโกรธ แ, แล้วแก่เนี่ยอดเอาอดเอาเนี่ยแก้อันนี้เป็นว่าแก้แก่มันแก้ไม่ได้ดังนั้นคนเราทุกคนเมื่อไม่ทําผิด ยัไม่รู้ควมผิดงเป็นครูข้อมผิดพลาดจึงเป็นครูคนใดไม่ทำการไม่ทำงานไม่ศึกษาจะรู้จักควมผิดพลาดไมไม่รู้เพราะเคยไม่ไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติอะไรคนนึกว่าเราทำดีทั้งนั้นทำอะไรก็นึกว่าเราทำดีแต่ควอมจริงควมไม่ดีมันช้อนอยู่ในตัวนั้นเรียกว่าบ้านของเราอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยบ้านของเรา หลังขาบ้านของเยิ่งมุงดียิ่งบังดีฝนตกจะไม่รั่วรดจะไม่เปียกเราเนี่ยขุมชั่วเรายิ่งปกยิ่งปิดยิ่งบังยิ่งรั่วดรดฮอดเนาะฮันดโกะอยากโอดะลุงอยากกินเล่านะลุงเอากินกินเน <c oughs> ี่ยมชั่ววิงเเอาาาม้กันนนี่มัเป็นอย่างนั้นจช่ว่าโอ้พูดยากพู่อย่างในาจาหาว่า มาพูดทำไมอย่างนี้ทุกคนต้องรู้รู้แต่มันรู้แบบไม่รู้รู้แบบที่ไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเราทุกคนมาพัฒนาจิตใจแต่ไม่ได้พัฒนาชีวิตนะพัฒนาจิตใจนะชีวิตกับจิตใจคนละอันกันนะคนดูได้เพราะมีลมหายใจมีชีวิตอยู่ไดนะ้เพราะมีลมหายลมหายใจโกรธใครไม่โกรธใครในในายขนาดมันโกรธขึ้นมาหายใจสบายไหม หายใจไม่สบายเฮ้ยเฮ้ยเยอะนี้เหละคนหายใจโครขึ้นมาเนี่ยมันตายไปแล้วเนี่ยดังนั้นคนมีชีวิตอยู่ได้เพราะหายใจสบายสบายคนใดหายใจฟืดหายใจรอดเนี่ยไม่สบายแล้วนีน่ดังนั้นศึกษาธรรมะจึงศึกษากับธรรมชาติหูต้องฟังตาต้องดูกายเราต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่ อ, อนแขน็งกินอาหารเข้าไปรูรสไม่มีรส เราต้องรู้จักใจิตใจมันนึกคิดอย่างไรต้องรู้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนน้อยน้อยดว่าเรียนรักถ้าใปิดกสามปิดกเรียนนักถ้ตใจปิดกสามปิดกคือกายหนึ่งวาจานึงเป็นสองปิดกสองปิดดกนี่จะทำจะพูดมาจากใจสั่งให้ทำสั่งให้พูดสองปิดดกนี้จึงว่าสี่หมื่นสองพัน ตีดกเดียวคือใจสองหมื no <parte. S 1> Usually, ่นสี่หมื่นสองพันรวมกันเป็นแปดหมื <k squash heartbreaking> <Lemon> ่นสี่พันคะนนมาขันไม่ใช่จิตเจตติกจิตแต่สิบเก้าเจตสิบห้าสิบอันนั้นก็ดีเหมือนกันมันเป็นเพียงวัตถุดิบหรือเหมือนเป็นเพียงเข้าวผีมันเป็นเพียงเข้ารีบมันก็ดีแต่ว่าเราทํานาเราจะทํำยังไงเราจะกินฝางแล้วกินเข้ารีบฝางกินไม่ได้ข้ารีบกินไมได้ธรรมดา มันมีเข้าวอ้วนเข้าเต็มเอาไปเพาะลงในดินแล้วก็เป็นนอก้าเป็นข้ากล้าออกมาไปถอนจากข้าวกล้าไปดำนาไปดำนามันก็เป็นลำฟางขึ้นมามันก็โค้งขึ้นมาบ้านหลงเขาเรียกว่าเข้ามาเข้าค้งพอดีเข้าค้งขึ้นมาันเป็นข้าวรีบยังเป็นข้าวรีบข้าวมันต้องเอาเอาทางก้นมาทางตูดมันเนี่ขึ้นตั้งอย่างนี้พอดีแดกมันอบเข้าไปมันหดตัวพอดีเย็นเย็นกลางคืนมามันแตกทางตูดมัน ัดกาศมันเข้าไปเมาะเข้าไปอะไรเข้าไปน็ตเข้าไนอ้วนเข้าไปเขาก้มไปมันมันอ้วนเข้าไปมันค้มก้มเข้าไปนานๆเข้าไปเขาแล้วแดดเข้ามาลมเข้ามาความร้อนความอบคุณเข้ามาเข้าก็อ้วนเต็มขึ้นเต็มขึ้นแต่เม็เข้ารีบก็มีอยู่ในนั้นนะเม็เข้ารีบกก็มีแต่ลําฟางลำหนึ่งเนี่ยต้องมีไม่เม็ดหนึ่งกับสองเม็ดทีเดียวมันมีอยู่ด้วยแต่มันไม่ได้อ้วนทุกเม็ดนะ แต่เข้าเม็ดอ้วนั่นแะมันก็เลยพาเม็ดรีบนั่งก่งลงไปกุ้งลงไปบันนี้เข้าแก้มันเราก็ไปตัดเอาตัดเอามาแล้วก็เรามาเอาจต่แตเข้าอ้วนเข้าเต็มเข้าวรีบเอาทิ้งเขาเรียกว่าเข้าไม่เป็นต่เอาเอาทิ้งบันนี้เอาเข้าเปลือกมาทําไมเอาเข้าเปลือกมาไว้มาตีเป็นข้าสารเอาข้าสารมาไว้ทําไมมาไว้เพื่อนึ่งเพื่อหูไปข้าสุกเข้าสุกเอาไว้ทําไมเอาไว้กินแต่ทิ้งข้าเปลือกได้ไหม ทิ้ไม่ได้ปีหน้าไม่มีข้าวเปลือกเลยมันมีข้าวกล้าไม่มีข้าวทุนหรือไม่มีข้าวเสื้อไม่มีข้าวผักดังนั้นพวกเราให้รู้จักเก็บข้าวเปลือกเม็ดเดียวหนึ่งอ้วนถ้าไม่รู้จักเก็บข้าวเปลือกเม็ดเดียวด้วนจะไปเก็บข้าวรีบไป้ก็ไม่ได้เอาข้าวรีบไว้เท่าไหร่ก็ไม่ไม่มีราคาเลยอย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยถามโยมอ่ะข้าวข้าวรีบจากร้อยถังพันถังข้าวอ้วนถั้งเดียวอะไรจะมีราคากว่ากัน เขาอ้วนเขาเรียกจะขายถังน้าเท่าไรเนี่ยที่่คนเราต้องรู้จักเลือกเฟ้นเอาคำพูดคำสอนมันมากถ้าหากไม่รู้จักแล้วจะเลือกเฟ้นเอาคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ดังนั้นพระอรหันต์ก็ดีหมูทิพตาทิพย์ก็ดีเราต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจ ความสงบนั่นจึงว่าสงบแบบไม่รู้สงบแบบรู้สงบจะมีสองอย่างสงบแบบไม่รู้เรียกว่าสงบสมถะสมถาน ส, านสงบแบบรู้เรียกว่าสงบวิปัสนาคนจะล่วงทุกไปได้เพราะปัญญาท่านว่าอย่างนั้นคนจะล่วงทุกไปได้กับครบอางเงี้ยคนไม่มีปัญญานะทำการทํางานงานยานะกระทำหมดเขาให้บาทหนึ่งก็เอาสอนบาทก็เอาบางทีทําไปเขามาให้เหงินเนี่ยคนไม่มีปัญญานไม่รู้จกหาเงินก็มีเงนินไม่ได้ ไม่รู้จักหาเง born, ินเก็บเงินเป็นไหเก็บเงินไม่เก็บไม่รู้จับเก็บ ไ, ไม่รู้จกัจกเก็บเงินไปจะมีเงินมีไม่ได้คนไม่รู้จักบุญก็เอาบุญไม่ติดใช่ไหมคนรู้จักหาเงินเขาให้เงินต้องเก็บเงินคนรู้จักเก็บเงินต้องมีเงินอังนี้ก็เหมือนกันคนรู้จักมรรคผลนิพพานหาเอามรรคผลนิพพานเนี่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดทำไมว่างง่ายเนีอยู่ที่ไหนไม่หยุดร้อนใครจะพูดอะไรเรื่องของเขาเห็นเขาทําผิด เขาไม่รู้เขาจะทําผิดโยมโกดเนี่ยโยมเคยโกยโดไหมโกดไหมแล้วโกดเป็นยังไงสบายใจไหมไม่สบายโกธทําไมก็เพราะไม่รู้ใช่ไห ม, ไมแน่นั่นการขณะนั้นว่าเห็นเขาทําผิดหน้าสงสารเขาบ้างเพราะเขาไม่รู้นี่ขาราพเจ้ากำลังสอนอย่าอย่าเมตตาเมตตาในที่เนี้เห็นเขากําลังทําผิดบอกเขาแต่เขาไม่ฟังหน้าสงสารเขาบ้างเห็นเขาทําผิด น่าสงสารเพราะเขาไม่รู้เขาจริงทําผิดเห็นเขาโกธรเนี่ยพูดตรงๆเห็นเขาโกธเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาจึงโกธขึ้นมาแต่ถ้าหาทุกคนเน่ยโวยโกธเป็นทุกข์ก็ไม่โกธแล้วเวรเมื่อไม่โกธแล้วเป็นยังไงนั่นนะครับว่าภิกสุและญาติโยมอยู่โดยชอบพระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากรู้คือเห็นนั่นโกธขึ้นมามันเป็นทุกข์ก็หยุดกันใช่ไหมนี่ฝ่ายอรหันต์เห็นใกล้ใไม่ไกลถึงว่า ของไกลไม่เอาเอาค้องไกลๆเนี่ยเปย็นอันนี้สมมุตินะบ้านหลงพอ่อป้อยวัวควายออกไปง้าที่มันป่งยุกขับปากคอควายนะมันได้กินเลยเขาวาง่าปักคอกควายมา ก, กินไปกินไก่ไก่ง่าเฮี้ยนเป็นเลมกิ น, ย น, นเยอะนะแต่ง่าปกากคอกมันสวนมันงามไม่กินคนเราก็เช่นเดียวกันมักคผลในพานอันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่อยากออกมาใช้เลยพูดให้ฟังเลยโอ้ยเป็นอย่างนั้นแหละ หลวงตาเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้ประตูของเขาพ่อเขียนไม่เป็นจริงอ่านไม่ได้ชินนี่เป็นอย่างนี้นี่ว่าคนเรามันไม่รู้มันจึงทําผิดพูดผิดคิดผิ ด, ดเห็นเขาทําผิดพูดผิดพุดผิดแล้วก็เป็นเรื่องของเขาแต่สงสารเขาจาเป็นสอนไม่ได้พูดไม่ได้ก็ต่อยไปอย่างนั้นเยอะอย่าไปทําอะไรกับเขาดัางนั้นการที่จะแก้ปัญหาตัวเองไม่อย่าก เมื่อแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วการแก้ปัญหาสังคมเป็นเรื่องเล็กน้อยอันนี้เรามุ่งอยากไปแก้แต่ปัญหาคนอื่นตัวเองไม่อยากแก้เมื่อไปแก้คนอื่นคนอื่นไม่พอใจแล้วเราเกิดไม่พอใจเป็นทุกข์กับเขาอีกแล้วนานนักปราชญ์หรือพระดยบุคคลอาจารย์ที่จะว่ากันตกนระกพร้อมกันทั้งสองคนดังนั้นเราเห็นคนตกน้ำแบบนี้าพูดเรื่องคนตกน้ําเราจะไปเอาคนตกน้าจะทำํำยังไงคนจมน้ําจะตายแล้วแบบนี้ เราจะไปผัดเสื้อผัดผ้าอยู่ยังจะไปเอาคนนั้นจมน้านตายที้เลยบัด น, นี้เราเห็นคนจมน้ำนํำจมน้ําจะยตายเราต้องจำเต็นต้องเปียกอระโจนลงไปเราผ้าก็ต้องเปียกอย่างที่เนนกับอาจารย์สอนลงหมดตัวเลยพอที่กระโจนลงไปเราไปจับเอาคนจมน้ำํำพอที่ไปจับเอาคนจมน้ําอย่าให้คนจมน้ําจับเราถ้าคนจมน้ําจับเราแล้วเมื่อมันตายแล้วมันจะไม่วางเรา มันจะกรำ ม, มือเราเราต้องตายด้วยบันนี้เรารู้จักวิธีที่จะแก้แล้วก็โจลงไปจับเอาคนจมน้ําแล้วก็ลอยเข้ามาพอดีมันตายแล้วดึงมาไม่ได้ก็ปล่อยมังไปอันนี้ก็เหมือนกันท่านสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนได้เฉพาะบุคคลผู้ที่มีธุลีในตาเท่นว่าคนใดที่ไม่มีธุลีในตาแล้วสอนไม่เอาเนี่ยพระพุทธาท่านสอนอย่างนั้น mm. ก็ ถึงสิบเอ็ดโมงเลยวนี่ยสิบโมงกับสี่สิบนาทีแล้วนานการของพ่อเนี่ยแล้วก็ขอคอขนาดนี้ก่อนนะเพราะว่าพูดมานานแล้วก็พักพรจากสิบนาทีก็สันเพลงกันเนี่ยเอาและวันนี้ที่อาตอมาพร้อมด้วยพระสงฆ์หรือญาติโยมได้มาพบหน้าเห็นตากันก็นเลยพูดความจริงสู่กานฟังคนใด มีแนวคิดว่าจะแก้ปัญหาตัวเองก็ต้องแก้ที่จุดนี้คนในแก้ตัวเองได้แล้วก็ไปแก้สังคมตัวเองพ้นไปจากความทุกข์แล้วต้องแก้สังคมพระพุทธเจ้าทัานตะรัสว่าเธอทั้งหลายเป็นผู้พ้นแล้วจากภายัยเป็นผู้พ้นแล้วจากอันตรายจงไปเผยแท้ธรรมที่เรารู้เราเห็นแก่ สังคมหรือจะว่าอย่างไงเด็กปฐุชนหรือคนธรรมดาที่เขายังไม่รู้ยังไม่เห็นนั้นถนัยอย่างนั้นบัดนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พระรเจ้าท่านสอนหมดอยากไปด้วยกันหลายคนนะไปพร้อมกันไม่ได้สองคนสามคนไปถาเดียวกันไม่ได้ไปคนละทางกันข่าวน้ํามันน้อยเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าในเมืองไทยมากที่สุดแต่คนเขาเป็นทุกข์มากที่สุดเป็นอย่างนั้นแต่ที่อาตมา ก, กับพระสงฆ์ นั่งอยู่ที่ก็มีจำนวนหลายองค์แนะแนววิธีแก้ปัญหาตัวเองต้องดูที่ใจทุกต้องรู้สมุทัยต้องละมักต้องจเจริญมีสี่ข้อนี้เรียกว่าเรียสัจสี่ทุกเพราะการเคลื่อนไหวทุกคนไม่ไหวทุกขังอนิกจังอนัตตาทุกคนไม่ไหวเรียกว่าลักษณะันสามสมุทัยต้องละสมุทัยคือตัวคิด มันลากไม่ได้มันคขึ้นมาเราต้องมาทําจังหวะกำมือเหยียดมือเอามือมาอยัางไงเคาะหน้านะเคาะหน้าผาให้รู้พอเรียนรู้สึกอันนี้แล้วมันวาความคิดเราทําไม่บ่อยจะทําแรงมาเจ็บไหยทําแรงมนเจ็บ ม, <ๆ>มักต้องเจริญทำไม่บ่อยทําอย่างนี้ครับมีโลดทําให้แจ้มมันคิดขึ้นมารู้ปะมันคิดขึ้นมารู้ปะก็แปลว่ารู้แจ้มของคิดตัวเองเมื่อรูร้ของคิดตัวเองแล้วพอดีลู้กุมคิดมันจะอยู่ในวงการของคิดนี้เองอยู่ในวงการมันคิด จับต้นจนปลายไม่ได้คิดนั้นคิดนี้กี่อันนั้นมาอยู่ในวัตฏะวัตฏะคือวงกลมวัฏตะวนจำไห ม, มันดีวัฏตะวงกลมวันนี้เราจะทํายังไงจะตัดวงกลมอันนี้ได้เราต้องมันแนบหน้าอุไปมันมือตื้อใหญ่ใหญ่กันใเราต้องทำกลมเพียนมันคิดต้องรู้ให้มาอยู่วงกลมรู้สึกบ้างอยู่วงกลม ค, คิดตัวนี้ให้มากเราสมมติเรานึน่งหนัก เ, เอาเอาเอาเงินนะเรามีเงินจากร้อยบาท เราจากจงมาใส่ใส่สี่สิบบาทจะเก็บไว้ในกระเป๋าหกสิบาทหกสิบาทได้ต้องเท่งจิตเท่งที่ตัคนจิตเนี่ยสี่สิบาทเนี่ยลูกคุมรู้สึกแบงอันนะ้ตัวนั้นมันมากมาพอที่มัคิดปุ๊ดูคิดปุ๊มันจะซ้อนลงกลางกันมากต้องจเจริญดูตัวนั้นให้มากตัวนทางให้มากนี่โลดทําให้แจ้งเมื่อพ้นจากสภาพนี้ภาวะนี้โทสะโมหโลภจะลดน้อยแต จุดแต่จางไปควมเป็นพระจึงปรากฏขึ้นที่ตรงนี้เดียกได้ดวงตาเห็นธรรมได้กระแสคณิพานอะรอย่างนั้นท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่นักสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลังตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธมมาเตือนจิตสติใจของพวกเราให้พวกเรา ได้พิจารณาถึงตัชีวิตจิตใจพ้นไปจากสภาพหรือภาวะความปรุงแต่งนั้นให้พวกเราได้พบได้เห็นเอากับชีวิต ท, ที่บังว่าชีวิตไม่ถูกปรุงถูกแต่งนั้นในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเธอ